ช่วงนี้ความตายเนี่ยเข้ามาเยือนเรื่อยเลยนะมามาเตือนเรื่อยเลยอะว่าให้รีบเร่งทําความเพียรนะก็ภายในไม่กี่วันนี่ก็ฟังไปตั้งหลายเจ้าแล้วน ะ, น ะ, นะห้เห็นต่อตาก็มีนั่นเลยแรกก็แม่คุณพากันเจ้าที่สองก็นี่มาเห็นเมื่อวันพฤหัส แต่วันพุธ ท, ที่ผ่านมาเนี่ยมันชนต่อหน้าต่อตาเลยนะแล้วก็ตายจริงๆต่อหน้าต่อตาแนะนะ่นะนะี่ยะเพราะว่าไปดูหนังสดอยู่นาทีกว่านะ่ะคือไปหยุดรถแป๊บเดียวเนี่ยรถมันก็ชนให้กันดูนะพอชนเสร็จเราก็ไฟเขียวล้วก็ไปต่อนั่นะนั่นก็ตายจริงแหละไปไม่ตายหรอกแม่แล้วก็เมื่อกี้ก็ฟังอีกแนละ้วว่าไอ้น้องชายน้องชายของเพื่อนนะนะ ก็เรียบร้อยไปแล้วล่ะก็เตรียมจะเผาอย่างเดียวก็แสดงว่าเฉียวเข้ามาเรื่อยเฉียวหัวเฉียวท้ายเฉียวเรื่อยนะแสดงว่าอีกไม่นานคงจะเป็นเราบ้างทีนี้ระหว่างนี้เราทำอะไรหรือยังกุศลจิตเราเกิดพอไหมถ้าเกิดใหม่จะเกิดที่ไหนเกิดยังไงเนี่ยนะอันนี้ก็มันอยู่ที่เหตุที่เราทำว่าเราทำเหตุอะไรอยู่ อันนี้ก็คงเหตุที่ดีที่สุดก็คือการเจริญพุทธานุสตินี่เป็นเหตุที่ดีที่สุดแล้วในบรรดาเหตุทั้งหลายที่จะพาไปสู่สุคติน่ะหรือว่าถ้าจะตัดตัณหาได้มันก็ดีถ้าใครทำได้ก็นุมโมทนาด้วยนนะแต่ถ้ายังกระโดดข้ามห่วงน้ำไม่ได้ก็เกาะแพรลาใหญ่ๆหน่อยนนะแพรลาใหญ่ที่จะไม่ให้จมน้ำได้ก็คือการเจริญพุทธคุณเนี่ยเป็นแพใหญ่ที่สุด มั่นคงที่สุดมาตรฐานที่สุดที่จะไม่ให้สัตว์เนี่ยจมเข้าไปในโอคะแพยอย่างอื่นๆนี่มันแพรเล็กๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ผุผุ ด, ด้วยไม่ค่อยแน่ใจนักแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นแพลำใหญ่จริงๆเพราะว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระองค์ก็กตั้งความปรารถนามาแล้วว่าอะไรพระองค์จะสร้างนาวาเพื่อจะช่วยเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามด้วยนะของเราก็เกาะลำ ลำเรือคือแพ่นเนี่ยแพ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเกาะที่พระองค์ได้กุศลจิตเราก็มีคุณของพระองค์เนี่ยเป็นอารมณ์ผู้ที่มีจิตมั่นคงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะโดย ท, ที่ทราบซึ้งรู้คุณของพระองค์เป็นอย่างดีนี่แหละเป็นเหตุที่จะป้องกันอบายเนี่ยเป็นตัวที่ปิดอบายจริงๆ แล้วก็เบิกฟ้าได้อย่างน้อยที่สุดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทนะํามาเป็นมนุษย์นี่ก็ในความรู้สึกตอนนี้ก็คือทุกขติดีๆอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าข้ามได้อบายสี่กับมนุษย์หนึ่งได้นี่มันหมาปลอดภัยที่สุดละเกิด <c oughs> เป็นมนุษย์นี่ไม่ไหว <c oughs> คือที่ไม่ไหวนี่หมายวามันทําบาปง่ายที่สุดเลนะทาบาปได้ชนิดที่เรียกว่าน่ากลัวมากๆยุคนี้เพราะสามารถทําบาปได้ทั้งหลายเรื่อง ในขนทางที่จะทําบุญเนี่ยยากหน่อยถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรเป็นต้นก็ยากที่จิตจะเป็นไปกับปุสลหรือเป็นไปกับบุญนะอย่างน้อยที่สุดต้องอาศัยกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าเวลาที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเวลานั้นจิตเราจะเป็นบุญหรือคิดถึงคําสอนตอนนั้นจิตเราก็เป็นบุญหรือว่าคิดถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์จิตของเราก็เป็นบุญแต่ถ้าคิดถึงคนทั่วทั่วไปนะก็ ก่อให้เกิดทุจริตไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนั่นแหละก่อให้เกิดเพอเจอบ้างก่อให้เกิดผู้สวัจาจอบ้างพู้วาัจาก็คือถ้อยคําที่ตําหนินั่นแหละคือพฤ้วัจานั่นแหละพูดพูดดูหมิน่นพูดตําหนิทั้งหมดนี้เป็นผู้วัจาทั้งหมดเพราะว่าโทสะเป็นสมุทฐานนั่นแหละผู้ที่ละผู้วาจาได้เด็ดขาดคือพระนาคามีพระโสดาบันเป็นต้นถ้ายังพูดด้วยโทสะ ขณะนั้นก็เรียกว่าพุทธสวัจจานั่นก็วาจาที่กล่าวถึงทั่วๆไปก็โดยมากก็เป็นไปกับทุจริตเมื่อเป็นไปกับทุจริตเจตนาเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นกุศลเจตนาเมื่อไม่ใช่เป็นกุศลเจตนาเนี่ยมันก็ก็เท่ากับว่าบอกได้เลยว่าควรจะไปที่ไหนต่อไปนั่นนะเพราะอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็ตาม ภพก็เป็นปัจจัยแก่ชาตินะแม้ในอดีตอันยาวนานภพก็เป็นปัจจัยแก่ชาติอนาคตต่อไปนะภพก็ยังเป็นปัจจัยแก่ชาติอีกอยู่ดีภพนั้นหมายถึงกรรมมภพกรรมมาภพนั้นเป็นปัจจัยแก่ชาติคือปฏิสนธิเนี่ยนะนั้นเบื้องหลังของปฏิสนธิคือหลังจากปฏิสนธิไปแล้วก็คือชราและมรณะนนะ พอชราและมรณะอีกก็มาทำกรรมมพบใหม่เพื่อ น, นําไปสู่ชาติอีกนะวัตตะทั้งหลายก็ไหลเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดทีนี้ถ้าพบที่ดีสุขติพบพึงหวังได้ก็อาศัยคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นสารณะผู้เป็นที่พึ่งนะที่เราจะระลึกถึงนะทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นคุณคือพระพุทธเจ้าอย่างนี้ละเราก็มาเทคว่า พระพุทธเจ้าในฐานะผู้เป็นที่พึ่งของเราพระองค์แสดงอะไรไว้บ้าง น, น, นะนพระองค์สอนอะไรเราไว้บ้างเรานึกได้ไหมว่ากุศลทั้งหลายที่จะนำให้พ้นจากวัตะเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็คงระลึกได้นะกุศลธรรมทั้งหลายที่พระองค์สอนให้เราพ้นจากวัตะหรือพ้นจากสังสารทุกข์ก็คือสติปัฏฐานสีสมสำมาตานสอิธิบาทสอินรีห้าพละหโพชฌงเจอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 กุศลธรรมเหล่านี้เรีย ก, กอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโพธิปัจิยธรรมเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้แหละที่พระองค์นี้จำแนกแจกแจงบอกแสดงให้เรานั้นได้ยินได้ฟังทีนี้สติปัฐาน4ก็มีสีข้ออย่างนั้นเราก็มาทบทวนดูว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นพิจารณาเห็นกายในกายหรือพิจารณาเห็น กายในรูปประกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกรจัดอภิชาและโทมนัสในโลกคำว่ากายนั้นขอบเขตแค่ไหนกายมีกี่บัพพาและเราเจริญได้กี่บัพพาแล้วและเราพิจารณ์ยังไงบ้างทุกบัพพาที่พระองค์แสดงเนี่ยนะเราเข้าใจขนาดไหนเราเจริญได้ขนาดไหนถามว่าขนาดไหนนั่นไหมคนที่ตอบได้ดีที่สุดก็คือเราเองนั่นแหละว่าเรามั่นใจขนาดไหน ว่าที่เราเจริญนี่ช่วยเราได้จริงช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงมั่นใจจริงๆนะทํามั่นใจจริงๆด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะถ้ากุศลธรรมเหล่านั้นเกิดจริงถึงคนอื่นว่าไม่จริงมันก็จริงถ้าคนอื่นว่าจริงมันก็จริงมันยังค้ำถ้าจริงอ่ะนะถ้าไม่จริงใครจะชมใครจะเชียร์ใครจะหมิ่นมันก็ไม่จริงมันยังค้ำอีกนั่นแหละทีนี้ต่อไปแล้วเพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ เราพิจารณาเวทนาได้มากขนาดไหนอย่างที่พระองค์แสดงไว้ไหมเช่นเวทนาสามเวทนาเาเราเจริญได้มากไหมเราพิจารณาว่ายังไงบ้างแล้วจิตเนี่ยนะจิต16ประเภทที่พระองค์แสดงไว้นะจิตทั้งร้ายเหล่านั้นนะ่ะเรามาไครควรมาพิจารณายัางไงบ้างแล้วธรรมะแบ่งเป็นปาหาตตประธรรมคือนิวนนิวรเราละได้ขนาดไหนขันอายตนะเรารอบรู้มากไหม โทษชงเป็นธรรมที่ควรเจริญเราเจริญเนี่ยเจริญขนาดไหนแล้วแล้วก็การเจริญกุศลธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปก็เพื่อแทงตลอดอริยสัจอริยสัจแต่ละอย่างนี้เราเห็นเห็นอะไรบ้างที่ที่ชัดเจนว่านี่แหละที่จะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ได้จริงนะอันนี้ก็การพิจารณาการไข่ควรอย่างที่ว่าก็คือสติปัฏฐานโดยสรุปทีนี้ในสติปัฏฐานทั้งหลายเหล่านั้น นะเราภาพเพียรในการเจริญมากไหมเนี่ยนะเพียรแล้วเมื่อเจริญแบบนี้แล้วบาปอากุศ ล, ลดลงไปมากไหมกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นไหมถ้าเป็นไปตามนั้นให้รู้เทว่านั่นกําลังอบรมสัมมาประธานอยู่ถ้าเจริญอย่างนั้นแล้วบาปลดลงบุญเจริญขึ้นแสดงว่าถูกต้องแล้วเนี่ยนะแล้วระหว่างที่เจริญเจริญด้วยฉันทะเป็นใหญ่ไหมฉันทะคือศรัทธานนะี ฉันทะนั้นเนติปกรณ์หมายถึงว่าศรัทธานั่นเองเช่นว่าศรัทธาที่มีในพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อาศัยศรัทธาอบรมก่อให้เกิดสมาธิสมาธิอันนั้นชื่อว่าฉันทะสมาธินะชื่อว่าฉันทะสมาธิเพราะฉันทะสมาธิก็คือมีศรัทธาเป็นเป็นหลักเป็นประธานนั่นเอง นะเรามีศรัทธาพ่อพูนมากขึ้นไหมนี่นะหรือเราที่เจริญปฏิบัติอยู่ภาคเพียนหรืออบรมด้วยวิริยะนะหรือด้วยจิตเป็นใหญ่หรือว่าด้วยวิมังสาคือปัญญาเป็นใหญ่การอบรมตามนั้นแล้วก่อให้เกิดสมาธิเกิดความภาคเพียนพยายามอันนั้นก็เป็นสำ ม, มะปธิบทัทนี่นะอิทธิบาทที่อบรมไป อิธิบาตที่เจริญอย่างถูกต้องศรัทธาอันนั้นก็เป็นสัตธินรีเนี่ยนะเป็นใหญ่ในความเชื่อแล้วก็กำจัดความไม่เชื่อออกไปเนี่ยนะวิริยะก็เป็นวิริยินรีสติก็เป็นสตินรีสมาธิก็เป็นสมาทินซีปัญญาก็เป็นปัญญินรีเนี่ยนะนะทีนี้ถ้าผู้ที่มีอินซีก็คือมีพละพละก็คือมีกำลังเป็นผู้ที่มีกำลังนะน ปกติคนที่มีกําลังก็ชนะสิ่งที่ไม่มีกําลังใช่ไหมคนที่มีกําลังก็ชนะสิ่งที่อ่อนแอผู้ที่มีศรัทธาพละก็จะกําจัดอสัตย์ทยีความไม่มีศรัทธาออกไปถ้ามีกําลังคือความเพียรก็ขจัดโกสัจชะคือความเกียรติคร้านออกไปนะความขี้เกียจออกไปถ้ามีสติก็กําจัดอะไรออกไปกําจัดความหลงลืมออกไปนี่ะกำจัด เรียกว่าความหลงลืมหรือเลอะเลือนออกไปถ้ามีสติเขถ้ามีสมาธิก็กำจัดความฟุ้งซ่านออกไปถ้ามีปัญญาก็กำจัดอวิชชาออกไปนที่โอบรมแล้วก็มีกำลังเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นพละเป็นภระการเจริญแต่ละอย่างก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนใช่มว่าเพื่อการตรัสรู้เนเจริญสติก็เพื่อเพื่อการตรัสรู้ อันนี้ที่เจริญอย่างนี้ก็เป็นการอบรมโพชงเพราะจุดมุ่งหมายก็ชัดเจนว่าเพื่อโพธิ์โพธิ์คือการตรัสรู้นั้นเจริญศรัทธาเพื่อการตรัสรู้นะเจริญสติเพื่อการตรัสรู้การเข้าไปใค้ครว ว, รวิจัยอริยสัจก็เพื่อการตรัสรู้นะหรือที่ภาคเพียรพยายามเพื่อการตรัสรู้ถ้าเจริญถูกต้องก่อให้เกิดปีติและปะสัสสธิปีติและปะสัสสธิที่เจริญก็เป็นไปเพื่อการ ตรัสรู้นะนะทีนี้ผู้ที่เจริญเหล่านี้นะก็ต้องวางใจให้เป็นทำกุศลธรรมเหล่านี้ให้สมดุลกันเนี่ยนะนะถ้ากุศลธรรมสมดุลกันแล้วก็ภารกิจที่เหลือก็วางใจคือคือวางใจว่าเช่นศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยไปดีแล้วก็ปล่อยให้ไปดีไปแต่ถ้าอันไหนหย่อนก็เสริมขึ้นอันไหนมากไปก็ ลดลงเนี่ยนะก็ปรับให้สมดุลกันอยู่ตลอดรักษาคุณภาพให้ยาวนานอันนี้ก็เป็นอุเบกขาสามโพชงจุดประสงค์ก็เพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะการตรัสรู้ทีถ้าเจริญถูกต้องจริงๆก็ตรัสรู้ด้วยอรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองคปดเพราะว่าสัมมาทิฏฐิก็เห็นอะไรเห็นอริยสัจสัมมาทิฏฐิอาจว่าเห็นเห็นอริยสัจสัมมาสังกัปปะก็ตึกเพื่อที่จะออกจากวัตฏะนั่นแหละนั่นเอง สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็ถือว่าบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกแล้วในขณะเบื้องต้นนะนะถึงเบื้องปลายก็ต้องมาประกอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำด้วยความภาคเพียรด้วยความไม่เลอะเลือนหลงลืมทำด้วยจิตตั้งมั่นอันนั้นก็เป็นวิริยะเป็นสติและเป็นสมาธิถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจหรือมองเห็นกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้กุศลธรรมเหล่านี้เรียกว่าอภิธรรมะ นะเรียกว่าอภิธรรมะอภิธรรมะคือโพธิปัจฉิยธรรมที่พระองค์แสดงเอาไว้เพื่อนําสัตว์ทั้งหลายนี้ออกจากวัฏทุกรนี่นะหรือว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์จริงๆเราในฐานะที่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนคําสอนเหล่านี้นะเราเจริญคําสอนเหล่านี้ได้มากไหมเนี่ยนะมากหรือน้อยอันนี้ก็เป็นตัวประกาศว่าเราปฏิบัติ ด, ดีไหมเนี่ยนะสุ ป, ปฏิปันโนไหมเนี่ยนะ ว่าถ้าปฏิบัติดีจริงก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้นะหรือสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยตรงต่อคําสอนเหล่านี้ไหมล้วก็มาวัดดูกับคําสอนเหล่านั้นเพื่อจะให้เห็นว่าเราอุชุปฏิปันโนหรือไม่แล้วที่เราเจริญมีจุดมุ่งหมายชาัดเจนเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์ไหมแทงโดยเฉพาะพระนิพพานมากไหมอันนั้นเป็นยายะปฏิปันโนแล้วเราปฏิบัติคู่ควรต่อธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดที่เรียกว่าสมควรนะสามีแปลว่า คู่ควรหรือสมควรก็ได้สามีจิตปฏิปันโนว่าปฏิบัติคู่ควรแก่แก่แก่การเข้าถึงกุศลธรรมเหล่านั้นไหมเนี่ย น, นะทีนี้ถ้าเป็นพระภิกษุ ค, คือคู่ควรไหมที่เขากราบไหว้คู่ควรไหมที่เขาต้อนรับเนี่ย น, นะคู่ควรไหมที่เขาเอาปัจจัยสี่มาฝาก น, น, นะเป็นนาบุญจริงไหมไม่ใช่นาเกลืออย่างพวกการว่านะนะึนขงึงพวกการนะนะนาเกลือเขอบาบั้น เพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นนาเกลือก็แสดงว่าเป็นนาบุญนะนะคําว่านาเกลือไม่ใช่ว่าเอามาทาเกลือกินอนะนะแต่หมายถึงว่าไอนาที่ปลูกข้าวแล้วข้าวมันเสียะนะคือมันดินมันเค็มไปไอาจจะเอามาทําเมนเกลือก็ไม่ได้อีกนั่นแหละแต่ว่าว่านามันเค็มอ่ะนะปลูกข้าวก็ไม่งามอย่างนั้นก็เลยสํานวนแซวกันว่ามันนาเกลือแล้วเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนอะไรนี่ก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถูก ก็มีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายอย่างนั้นตอนแรกเรานับถือพระรัตนตรายใช่ไหมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่ถ้าปฏิบัติถึงเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรายด้วยเนี่ยนะเช่นคําสอนสอนเพื่อให้ให้เห็นอะไรให้เห็นมรรคผลนิพพานใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีส่วนแห่งมรรคผลนิพพานเราก็เข้าถึงธรรมะนะกอ็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมะและ้ว ถ้าเราปฏิบัติตามนั้นเราก็นับว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีเราก็นับว่าหนึ่งในคือกุศลธรรมทั้งหลายก็นับเนื่องในรัตนะด้วยเนี่ยนะนับเนื่องในรัตนะด้วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมส่วนหนึ่งเป็นองค์กรย่อยนะเป็นองคอก์กรย่อยหน่อยหนึ่งของพระาศาสนาเนี่ยนะที่ที่เกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกพระธรรมคําสอนก็เกิดขึ้นมาในโลกมรรคผลก็เกิดขึ้นมาในโลก หมู่ชนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนก็เกิดขึ้นมาในโลกทีนี้ในบุคคลเหล่านั้นอย่างน้อยก็มีพูดได้ไม่มีเราอยู่ด้ว ย, ยว่ายัางนะบอกว่าเราก็คือหนึ่งในชุมชนที่นับถือและกำลังปฏิบัติตามอยู่ด้วยบ่างนั้นออย่างนี้ก็ยังดีนะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงเจ้าของทรัพย์อันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาเธออย่าเป็นอมิธธายาเลย ก็คือว่าพระองค์หวังให้เราเข้าถึงกุศลธรรมเหล่านี้เป็นทายาทคือผู้รับมรดกสิ่งเหล่านี้จากพระองค์อย่างแท้จริงเนี่ยนะงั้นถ้าเราได้รับบรดกเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ยากไร้แล้วใช่ไหมเป็นคนที่ไม่ใช่คนทุกขตาละเนี่ยนะอยู่หรือเป็นเนี่ยนะก็อยู่หรือเป็นมันก็เท่ากันใช่ไหมพ่อพูดผิดคืออยู่หรือตายก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะหมายถึงว่า มีสเสบียงและก็ไม่น่าห่วงเหมาอนนแะถ้าจะตายจากชาตินี้ก็คือทิ้งภาชนะดินเพื่อที่จะเอาภาชนะทองคำาอนะถ้าถ้ามีบุญจริงนะนะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าบุญไม่พอทำไงหละะนี้นะก็ควรทำความเพียร น, นะคือถ้าไม่มีบุญแล้วอยู่เฉยๆอันนี้ไม่ใช่คำสอนแน่นอนคือปกติสัตว์ทั้งหลายที่จะให้กุศลจิตเกิดเนี่ยน้อยนะนะคงเป็นไปได้ยาก ทีนี้พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นแหละที่พระองค์สอนพระธรรมคําสอนที่มากอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้กุศลจิตเกิดขึ้นนั่นเองที่พระองค์แสดงเยอะๆเนี่ยนะเพื่อเป็นวาสนาเพื่อเป็นอุปนิสัยต่อไปกุศลจิตของเขาก็เกิดมากนะจำคงแต่ระลึกถึงคําสอนหรือที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกันได้ทุกคนใช่ไหมว่าหลักการของาศาสนาเราเป็นยังไง เอตังพุทธานาซาสนังว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยสัพปา ป, าปาสัสสะกรารังใช่ไหมคือเน้นว่าทํายังไงที่จะเลิกทาบาปได้อันนี้อันนี้เป็นจุดหมายเริ่มแรกอย่างที่สองก็กุศลสูปราสัปสมปทานทำยังไงที่จะบริบูรณ์ไปด้วยกุศลธรรมทั้งหลายให้กุศลจิตเกิดบ่อยๆเกิดมากๆสัจจิตตปริโยทปานังะนะก็ทําจิตของตนให้เขารอบเนี่ยนะคือชําระจิต ขาวรอบหมายถึงว่าไม่มีอาสวะเข้าไปปัวพันในจิตเลยเนี่ยนะนะก็อันนั้นเป็นเป็นจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายจิตที่ขาวรอบอย่างแท้จริงก็คืออรหัตตะผลจิตเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อไร่ที่อรหัตตผลจิตเกิดขึ้นมาอารหัตตผลจิตอันนี้แหละเรียกว่าเรียกว่าของตนแท้ๆเลยเรียกว่าประโยชน์ตนแท้ๆเนี่ยนะนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงประโยชน์ตนอย่างสูงสุดเนี่ยนะนะ ก็พระรัตนตรายนี่แหละเป็นที่พึ่งปกติทั่วๆไปแล้วในเบื้องต้นเขาก็พยายามที่จะให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจจะได้นับถือพระรัตนตรายถูกเนี่ยนะทีนี้ถามว่าถ้านับนับถือพระรัตนตรายถูกผลควรเป็นยังไงเนี่ยนะคือคือผลหมายความว่าเราก็จะต้องมาเป็นจมอยู่ในฐานะเป็นศาสนิกหรื อ, อเรียกว่าจำยอมทุกอย่างเป็นลักษณะนั้นไหม พระรัตนตรายประสงค์ให้เราเป็นเช่นนั้นไหมบอกจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพระรัตนตรายที่เรามานับถือท่านประสงค์ให้เราพ้นจากทุกเนี่ยนะที่เรียกว่าการนับถือพระรัตนตรายเนี่ยนะสัพพทุกขาปรมุจติก็คือเพื่อให้พ้นจากสัพพทุกขั้งปวงแต่การที่จะพ้นทุกขั้งปวงได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะพระรัตนตรายท่านชี้ให้เห็นว่านี้นี่อะไรนี่นี่อะไรคุณโจมอ๋ม อ, อคุณลาวันได้เลยนะ ไหนายะนี้แทงตลอดได้เลยวันนี้ทุกตอนนีนไหนไหนไหนไหนทุกอยู่ตรงไห น, นหาาอ๋ อ, อ, อมาด้วยกันเลยใช่ไหมตั้งแต่ออกจาก บ, บ้านแ ล, แล้วอยู่ที่บ้านไม่ทุกไหมทุกมากค่ะอ๋อมาที่บ้านค่อยสบายใจผมจะได้มาฟังก็เถอะอ๋อก็ถึงสบายใจก็ทุกอีกอยู่ดี<ช>เพราะทุกขาริยศัพท์ใช่ไหมทุกขาริยศัพท์เนี่ยต้องไม่ลืมมาจากอะไรเวลาวันวิเคราะห์ศัพท์ที่ทุกแปลว่าอะไร อว่าว่าต่อไปแต่ว่าไม่ดีขังแต่ว่าชั่วขังแปลว่าว่างทุกไม่ดีขังแปลว่าชั่วก็เท่าเดิมนั่นแหละไม่ได้แปลเลยนะทุกแปลว่าไม่ดีขังแปลว่าเปล่านั่นว่างเปล่าก็ที่เดิอน่ะที่ผ่านมาเนี่ยว่างเปล่าไหมไม่ว่างพยายามยัดเยอะๆคุยกันไม่ได้แล้วกันนี่ตอนแรกก็จะดีๆอยู่แล้วล่ะจะพยายามอีก เพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยนะก็ว่าเออเนี่ยควรจะใคร่ครวนพิจารณาให้มากวันนี้ทุกเนี่นะอีทางทุกครั้งอริยศาสตร์จังเนี่ยนะกว่านี้ทุกขอริยศาสตร์นะแล้วต่อไปทุกขอริยศาสตร์เหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดมีเหตุนะก็อีทังทุกขาสมุทัยอริยศาสตร์จังเนี่ยนะก็ทุกข์าสมุทโยอริยศาสตร์จังอ้าวนี้ทุกทุกเหล่านี้เกิดจากเหตุเหล่านี้นะเกิดจากสมุทัยเหล่านี้แล้ว อีทางทุกขนิโรธาอริยสัจจังเนี่ยโอ้ทุกกสมุทัยเหล่านี้มีที่สงบระ ง, งับอยู่นะอีทางทุกขนิโรธคาหมินีปฏิปทาอริยสัจจังแต่ด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้นะข้อปฏิบัติคืออะไรก็อริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8มรักองค์8เนี่ยขึ้นต้นข้อแรกก็เห็นอริยสัจจ์อีกอยู่ดีไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงนะ บอกเออเนี่ยถ้าจะพ้นทุกข์ได้คุณต้องเห็นอริยสัจนะเห็นอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วมรรคข้อที่หนึ่งคืออะไรก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นไปคิดอริยสัจเอาไว้เถอะไม่ผิดถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิอย่างอย่างถูกต้องสัจจะสังยุทธเนี่ยชมมากเลยผู้ที่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยชื่นชมมากคุณชมไปดูมาแล้วนีสัจจะสังยุธสัยุตตนิกายมหาวารวัค เป็นสังยุตหนึ่งเลยชื่อว่าสัจจะสังยุตพูดถึงว่าโอ้โหคุณของการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยยิ่งใหญ่มากถ้าเทียบกับเช่นอะที่ปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นหรือพูดถึงว่าไอการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยเป็นเรื่องดีจริงๆเพราะว่าพองษ์ก็บอกว่าเราทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไม่เห็นอริยสัจเมื่อเห็นอริยสัจเราเราและเธอทั้งหลายคือพระพิสุตสมัยนั้นนะนะนะก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ท่านนายวินัยก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปไปประกาศไปบอกเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เห็นอริยสัจด้วยเพราะจะได้พ้นจากจากทุกเนี่ยนะแล้วก็บางแห่งก็บอกถ้าเธออย่าจะพูดเธออย่าไปพูดเดรัชานกถานนะให้พูดอริยสัจถ้าเธอจะจะคิดเนี่ยนะอย่าไปคิดเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงศูนย์หรือไม่ศูนย์ให้เธอมาคิดวันนี้ทุกเนี่ยนะ ถ้าเธอจะวิตกอย่าไปวิตกกรมมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะให้มาวิตกวันนี้ทุกทุกขสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าทำไมเพราะว่านี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนีนะเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรยนะพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอริยมรรยการตรึกการใคร้ครวนแบบนี้เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรยนะนะการตรึกการใคร้ครวนเหล่านี้เป็นไปเพื่อวิราคะเนีนะคืออริยมรรย์ใช่ไหม เป็นไปเพื่ออุปสมะความสงบประงับเป็นชื่อของอริยผลแล้วก็นิพพานายะก็คือเป็นไปเพื่อพระนิพพานนันะก็หมั่นใคร่ครวนหมั่นคิดแบบนี้บ่อยๆนะนนะเพญานั้นก็เออเนี่ยทุกสมุทยัยนีโรดมัดพอเห็นเขาบ้างแล้วยังคุณวิลาวมั น, ม ว, นว่าไปคิดอริยสัจมันเปนยังไง <Okay. S 1> ก็คือถ้าถ้าตั้งใจจะเจริญตามก็พอเจริญได้ นะันะบอกถ้ามีศรัทธาน ะ, จะเจริญได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีศรัทธานะก็อาหารวางต่อนหน้าก็ไม่กินเพราะไม่อยากกินใช่นะไหมอริยศัตร์ทั้งหลายถ้าเอามาคิดก็พอที่จะคิดได้เพราะมันเป็นความจริงใช่นะไหมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกลวงอ่ะนะเพราะมันมันจริงอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะชาติชราพยาธิมรณโะโสกปริเทวทุกโทมณตและอุปายาถามว่ามันจริงไหมล่ะมันก็จริงอยู่อย่างนั้นจริงจริงแต่ความจริงอย่างนี้ศัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยอยากรู้ เพราะอะไรเพราะมีสิ่งที่มันฉาบทาเอาไว้เรียบร้อยเลยนะตัณหาก็มาฉาบทาในสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นก็มองสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอัสสาธาแทนยังไม่ถึงอาทีนวะคือมองไม่เห็นโทษแล้วก็ว่าไปไงนะั้นเผื่อจะเห็นคุณของพระตนะตรัยบ้าง ดูหน้าสามสิบสี่นะเอกสารพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธคือจาทถสุตรสูตรนี่นะนะมาขึ้นข้อสามร้อขอสี่ร้อยสาสิบเจ็ดกล่าวถึงธรรมะที่เป็นไปในส่วนความเสื่อมนี่นะหมายความว่าผู้ใดมีธรรมะ เจอย่างเหล่านี้ถือว่าเสื่อมแน่นะีะคำว่าเสื่อมนี่เสื่อมแค่ไหนก็อบายนั่นแหละทีนี้ถ้าจะวิเคราะห์อีกนยหนึ่งนะว่าทาไมสัตว์ทั้งหลายจึงไปอบายนะสัตว์ในอบายเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่มีสัตว์ธรรมเจ็ประการเนนะเวลาเห็นโคเนี่ยนะเวลาเห็นโคเห็นกระบือเห็นสุ ก, กรเห็นสุนัขสานวนไทยว่าหมูหมากาไก่ทั้งหลายแหละ ถ้าเห็นอย่างนั้นก็เนึกถึงว่าโอ้เพราะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอะ่ะไม่มีสัตมีอาศัตธรรมำเจ็ดประการอยู่ในตัวเนี่ยนะมีอาศัตธรรมำเจ็ดประการอยู่ในตัวแต่ก่อนอะนะที่เป็นส่วนเหตุอ่ะนะถ้าปัจจุบันเหล่านั้นถ้าเขาไม่ถ้าเขามีอาศัตรรมำเจ็ดเขาก็จกักจากอย่างนั้นแล้วก็ไปสู่เช่นนั้นอีกต่อไปเนี่ยนะนะพระองค์ตรัสว่าถ้าเขาจะจากที่มืดแล้วก็ไปสู่ที่มืดอีกเนนะนะจากที่มืดสู่ที่มืดไปเรื่อยๆ เพราะเขามีอสัตรธรรมเจประการอสัตรธรรมเจประการเนี่ยคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเนี่ยนะข้อแรกไม่มีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้มีวิชาและจรณะเนี่ยนะผู้สุคตเนี่ยนะผู้พระสุคตผู้เป็นโลกวิถูผู้เป็นอนุตตรโรปุริสธรรมสาระิผู้เป็นศาถาเทวมนุษยานังผู้เป็นพระพุทธเจ้า โทษจำแนกแจกแจงพระธรรมที่เราเรียกว่าพระผู้มีพระภาคนั่นแหละนะไม่มีศรัทธาเลยนี่นะนะแล้วก็ไม่อยากจะฟังด้วยเลยนี่นะนะไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นนะไม่ไม่ต้องการรับรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่มีศรัทธาเนี่ยนะนะอันนี้ก็นับว่าเหตุอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งอบายของผู้ที่อยู่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ตามถ้ามีความคิดแบบนี้ก็คือ เรียกว่ามีธรรมะที่จะทำให้ไปสู่อบายและนี่นนะข้อแรกก่อน <c oughs> ทีนี้ถ้าเห็นสัตว์ในอบายอยู่แล้วเราก็รู้ได้เลยว่าเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่มีศรัทธามาแต่ปางก่อนแต่ก่อนนี้เขาไม่มีศรัทธามนุษย์ทั้งหลายในยุคนี้ถ้าไม่มีศรัทธาเช่นนี้ก็แสดงว่าประพฤติหรือเดินตามข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่อบายไม่ได้แช่งแต่ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นจริง เพราะอาบายทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าแช่งให้ตกนรกหรือว่าสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมของตัวเองเอสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมของเขาเองกรรมของเขาเนี่ยเมื่อเขาไม่มีศรัทธาและไอสิ่งตรงข้ามของเขาคืออะไรคือทําชั่วถ้าทําชั่วมากๆแล้วไอความชั่วนั้นแหละพาเข้าไปอับายไม่ใช่พระพุทธเจ้าแช่งว่าแกไม่นับถือฉันนะแกไม่เชื่อฉันแกจะต้องตกนรกพระองค์ไม่ได้ว่าเลย แต่เรียกว่าถ้าผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้นะแนวทางแห่งความดีถ้าไม่เชื่อก็ไม่อยากจะทำดีไม่สนใจที่จะเจริญกุศลเมื่อไม่เจริญเมื่อไม่สนใจที่จะเจริญกุศลก็ตรงกันข้ามใช่ไหมก็คือไปทำอกุศลอกุศล น, นั่นแหละที่เกิดภายในตัวของเขาแล้วทำลายเข้าเองเหมือนอะไรเหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กครั้นเกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็ทาลายเหล็กนั่นเองนะกัดกินเหล็กนั่นแหละ ให้ผูกกร่อนได้ฉันใดกรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาก็เพื่อทำลายบุคคลนั้นนั่นแหละ